ต่มาจึงได้เปิดเผยเรื่องคำสั่งของสมเด็จในที่ประชุมคณะสงฆ์จึงได้มอบกิจการถวายท่านจ้าคุณพริฎกก่อนออกจากที่ประชุมได้พูดขึ้นอีกคำหนึ่งว่าขอโทษพระเดชพระคุณเมื่อวานผมอ่นไส้ทนไม่ไว้เวลนเราสมเด็จยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยมีใครพูดเรื่องโรงพยาบาลของท่านเวลาท่านตายเขาไม่พูดเรื่องทำศพกลับมาพูดเรื่องโรงพยาบาลถ้าผมได้พูดภายไม่ดีไม่ถูกเป็นการเสียหายผมจะขอลานี้จากวัด ไม่ขอเกี่ยวข้องในงานสมครั้งนี้ถ้าคุณทําริดกจึงได้อ้อนวอนไม่ให้ไปแล้วพูดว่าที่ท่านอาจารย์พูดนั้นไม่ผิดจึงเป็นอันได้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานครั้งนี้ไปจนสําสเร็จอีมิชาก็ได้จัดเตรียมงานพระราชทานเพลิงศ์สมเด็จที่วัดพระศรีมหาธาตุอาเภอบางเขนซึ่งท่านได้เคยไปสัมผานองค์แรกในการสร้างวัดนี้วัดนี้เป็นวัดที่คณะอัฐบาลได้จัดสร้างขึ้นเมื่องานได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ได้ออกไปจำพรรษาอยู่ที่นาแม่ขาวที่เรียกว่าวัดอโศการามทุกวันนี้ที่ตั้งวัดอโศการามปัจจุบันนี้เดิมเรียกว่านาแม่ขาวเจ้าของที่ดินคือนางจิมหงและนายสุมเมศกัยการได้จวาวที่ดินให้สร้างวัดมีเนื้อที่ประมาณ53ไร่เมื่อปีพศสองพร้อยเก้จ็นกระทั่งปีพศสองพร้อยเก้จึงได้เริ่มตั้งสำนักขึ้นเป็นครั้งแรกโดยให้พระลูกศิษย์คือ พระครูใบิกาถั์มาเฝ้าสำนักแทนพร้อมกับพระลูกศิษย์อีกห้าลูกร่วมมีพระที่สำนักนี้ในครั้งแรกจำนวนหรลูกเมื่อออกพรรษาและได้จัดงานพระราชทานเพิงศพสมเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นปีพศ2418จะ24 98, ได้ออกไปจัาพรรษาที่วัดอสุขรามในระหว่างนี้ได้เริ่มคิดตั้งติจัดงานฉลองสมโพธิ25พฤศจวรา ในปีพศ2 5 0 0การดำริในเรื่องนี้ได้ดำริมานานปีแล้วคือเริ่มดำริตั้งแต่ปีที่ได้เดินทางออกมาจากดงบ้านผาเด่นแสนกันดานในระหว่างที่คิดดำริจะจัดงานสองสมโภช25ปศาวัติอยู่นี้ดี๋ยทีวีเวียดไปตามสถานที่ต่างๆวันหนึ่งได้ไปตั้งสัตจักอธิฐานอยู่ที่ทพระสบายอำเภอเมตัจังหวัดตาําปาได้ตั้งปัญหาขึ้นว่า งานที่จะทําครั้งนี้เป็นงานใหญ่แต่เราไม่มีสมบัติอะไรจะทําดีหรือไม่ดีหนกขอพระธรรมเจ้าจงบันดาลให้ปรากฏทราบในใจมิฉะนั้นก็ขอให้เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหารษัตริย์เลสวดาผู้คุ้มครองรักษาพระแก้มรกตอันเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งหมดจงช่วยกันบันดาลบอกช่องทางให้แก่เทพเจ้าด้วยเมื่อมาวันหนึ่งได้เข้าไปในถ้ำลึก อยู่งทําพะสบายเข้าไปจุดไฟจะเกียงรูปไว้หน้าพระพุทธรูปตรงหน้าพระพุทธรูปปูด้วยกระดานชวนตัวเจ้าของเองไปนั่งบนก้อนหินใหญ่หันหน้าเข้าฟ้าในธรรมจุดไยสว่างไว้ตลอดคืนแล้วก็ตั้อธิษฐานความลรำลึกในใจครื่อันนั้นเวลาประมาณสองนาฬิกาจิตใจก็สบายดีได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นมีเสียงดังเดียวคราวลงหน้าพระพุทธรูป ฟังดูไม่ใช่เสียงหินมแต่เป็นเสียงกระจกแตกรอสักครู่หนึ่ง๋ยวได้ลุกขึ้นมาดูเดิน ร, บรอบสังเกตดูห่างจากก็ประมาณเจ็ดศอกแสงไฟก็สวา่างทางถ้าเพราะถ้าเล็กมีความกว้างเพียงสีหวาเศษเป็นวงกลมสูงประมาณส0บถึงสิบห้าเมตรมีช่องทะลุ ข, ขึ้นไปบนอากาศเดินดูรอ บ, รอบแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจึงกลับเข้าที่เดิมนั่งสมาธิต่อไปได้นั่งเคลิอมฟันไป ปรากฏหินเทพเจ้ามาพูดบอกว่าเรื่องการทํางานฉลองสมโพ ธ, 25ธิ25พฤศตวกายนี้ท่านมีต้องคิดแต่ท่านต้องทําจะทําเมื่อไรต้องสาเร็จหลังจากนั้นมาก็าไม่ได้วิดตกเรื่องนี้เท่าไรนักได้๋ยวระกเวกอยู่เป็นเวลาพอสมควรเรื่อการมาถ้ำประสบบายานี้ควนจะกลับจากถ้ำได้พบรถถึงเรื่องต้นโพื่ออยากได้ตน้นโพสักดสามต้น มาปลูกไว้ที่ทํานี้ประมาณได้เดินทางกลับจังหวัดลบบุรีแกไปพักอยูท่ทีวัดข้าวผักงามพอดีเป็นเวลาตรงกับวันมาฆบูชาจึงได้จับชวนญาติโยมชาวพระนครและลบบุรีทําพิธีมาฆบูชาเป็นเวลาสามวันได้ แ, แสดงธรรมาให้แก่ผู้คณตทหารประมาณสามร้อยคนที่มาทําการเบียนเทียนในคืนวันนั้นเสร็จแล้วได้เข้าสมาธิตระลึกถานจิตว่าเรื่องงานจะลองสมโพธิ 25พุทธศตรวตรรษนั้นไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรยังรู้สึกข้องใจอยู่แล้วจึงได้ตั้งอธิษฐานขอถวายชีวิตในวันสิบ15คำคือไม่ฉันจังหันถวายตาคือไม่ยอมให้รับภาคเพียงพยายามอยู่อย่างนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุกันอะไรถมงเวลาจนสว่างประมาณตีห้าได้เคิรฝันไปครู่หนึ่งได้เห็นแผ่นดินแยกออกมองลึกลงไป เห็นก้อนอิฐสีแดงๆหักพังเกินกาดทับทมหรือใต้ดินก็สำเนตขึ้นว่านี่คือสถานที่บรรจุพระบรมทาตในสมัยก่อนได้ปลูกพังจมดินลงไปมากแล้วฉนั้นท่านต้องเป็นผู้อุปการะช่วยเหลือสร้างพัะจดีเพื่อเป็นที่บรรจุพระพรมทาตต่อไปภายหลังงานฉลองสมโภชยีสพุทธศตวตรรษนีฉะนั้นจะไม่หมดกรรมหมดเบี แล้วได้เคลิมฝันต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าในสมัยครั้งก่อนโนูนพระสงฆ์มีการประชุมใหญ่กันในประเทศอินเดียเมือ่อดานัตหมายการเรียบร้อยแล้วตัวของเราไม่ได้ไปไประชุมกับหมู่คณะการประชุมนี้เนื่องจากการฉลองสมโพธิพระบรมธาตุของพระบ ร, รมศาสดาซึ่งเป็นงานสําคัญยิ่งแต่เราไม่ได้ไปไประชุมเพื่อนๆจึงได้ลงโทษว่าต่อไปท่านต้องเป็นผู้อุปการะรวบรวมพระบ ร, รมธาตุบรรจุไว ในองค์พระเจดียังใดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทเ่าไปเมื่อได้นึกเครื่องฝันชนีแล้วการดำบิที่จะทํางานสมโพธิยี่สิพุทธศตวรรษก็หลักเข้าทุกทีอยู่แต่วันหนึ่งเวลาสางๆจดสว่างจึงได้ตั้งอธิษฐานในใจว่าถ้าข้าพเจ้าจะทําการฉลองสมโพธิยี่พุทธศตวรรษให้สมเร็จด้วยดีขอจงให้พระบรมธาตุที่มีอยู่ในตัวนี้ ขอให้บังเกิดมีให้ครบจำนวน80องค์ถ้าอายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกรอธิษฐานนั้นยังมีไม่ถึง80องค์มีอยู่ขณะนั้นประมาณ60องค์เสษเท่านั้นเมื่ออธิษฐานเสร็จสว่างแล้วชั้นจึงหันเสร็จก็เปิดพระอบออกนับดูถ้ากฏว่ามีพระพรหมทาตครบ80องค์บริบูรณ์ต่ะมาในคือที่สก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิอยู่บนพระพุทธรูปใหญ่เชิงเขา คืนนั้นไม่ได้นอนนั่งสมาธิในจํากรมอยู่รอบๆพระพุทธรูปและก็ได้จัดตั้งผานไว้ผานหนึ่งมด้วยดอกไม้าาธูปเทียนทําการอธิษฐานว่าถ้าการฉลองสมโพธิยี่สิพุทธศตรวตรวตรษจะสําเร็จขาอัญเชิญพระพบรมธาตุให้เสด็จมาเพิ่มเติมอีกจะเสด็จมาจากไหนก็ตามพรอรุงสว่างก็ได้พระบรมธาตุประมาณสิ อ, องค์เล็กๆมีพลอยสีแดงปนด้วยก็รีบจัดเก็บเข้าภาชนะ ไม่บอก ใ, ใครๆทราบแต่นึกว่าเราคงทํางานครั้งนี้สําเร็จในปีนั้นได้เดินทางกลับมาจาาับปาศิวัตรอสุครามเป็นปีพศ .2499 เมื่อออกปาาแล้วได้ทราบข่าวว่าได้ปรากฏมีต้นโพธิ์เกิดขึ้นหนาทางพระสภายอำเภอเมตัชจังหวัดลำปางรวมสามตนสวยงามทอดขึ้นอยู่บนแท่นหินปัจจุบันนี้ขึ้นสูงประมาณแปศอกแล้ว ในระหว่างจำบรรษาในปีพศ .2499 ที่วัดอโศกคารามควานำิดเรื่องจัดการฉลองสมโพธิ25พุทธศตรวตรรษก็หนักแน่นคขททัทุกทีทุกทีแต่ขณะนั้นยังไม่ตกลงใจว่าจะทำงานนี้ที่ไหนแน่เพราเป็นงานใหญ่ไปๆมาๆก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำที่วัดอโศกคารามนี้เองการทำงานนั้นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งพร้อมเพียงกันกันกบบริษัททั้งหลายจัดทาขึ้น สองทำด้วยดําพังตนเองคนเดียวการทำพร้อมกับพุทธบริษัทนั้นมีสามชั้นคือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงสุดความดำดิบนี้ไม่ได้บอกใครเป็นแต่ทั้งข้าสังเกตในการทำไว้คนเดียวเฉยๆเมื่อได้ทำงานะลองสมโพธิสำเร็จเรียบล้วปราขฏว่าการทำงานครั้งนี้ตกอยู่ในชั้นตางเท่านั้นถ้าหากทาได้ถึงชั้นสูงสุดจะได้สร้างชัด ถวายพระพุทธรูปใหญ่ที่เขาพระงามในที่สุดก็ไม่สําเร็จถึงชั้นสูงสุดทําด้วยลาพังตนเองคนเดียวการทําด้วยําพังตนเองคนเดียวนั้นดีมากที่สุดแต่มีเกิดประโยชน์แก่ปวงชนการกระทําอย่างนี้มีอยู่สาวิธีคือวิธีที่หนึ่งอย่างชั้นตําต้องปีกตัวนี้ไปจากมนุษย์หลบอยู่ในป่าดงถึงสามสิบาจึงจะออกมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้วิธีที่สองอย่างชั้นกลาง ต้องเข้าอยู่ในป่าลึกอยู่ลำพังทำความภากเพียนจนครบใต่มาสามเดือนไม่กังวลวิธีที่สอย่างชั้นสูงสุดต้องเอาผ้าแดงภูกคอตอนเองไว้เจ็วันคือหมายความว่าภายในเจวันนี้จะพยายามสร้างความดีสองชนิดคือชนิดที่หนึ่งขอให้สําเร็จวิชาแปประการภายในเจวันเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือไว้ประาาอกอบศาสนาจิตชนิดที่สอง ถ้าไม่สามารถเป็นไปได้ในชนิดที่หนึ่งขอให้ถึงที่สุดภายในเจวันพรอมด้ชีวิตเป็นอันไม่วังกลับเมื่อทำได้ามที่กล่าวมาครั้งตอนนี้จึงจะเป็นผู้หมดโทษและเวรกรรมที่ได้ทำกับเพื่อนไว้แต่พังโกรดในความเคิมฟันตรามาถึงปายปีพศ2499ก็ชวนแช่เวลาแต่ก็ได้เริ่มลงมือทำกิจการไว้บ้างแล้วคือได้สร้างพระพุรูปแบบไปโพ ซึ่งได้ไปจำลองแบบมาจากเมืองพาราณาสีในสมัยเมื่อเดินทางไปประเทศอินเดียและได้ดวรวบรวมผงต่างๆไว้หลายสิบแห่งอาทิเช่นดินสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียถักครืนที่แตครับทางขูกต่างๆและเพื่อนฝูงขับลูกศิษย์ได้ส่งจากจังหวัดต่างๆมาถวายต้างคือได้มาจากจังหวัดลบบุรีพิชโนโลกพิจิตรสุโขทยัยสุพรรณบุรีอยุธยาเพชรบุญสงขลา บุบอนทาจธานีอําเภอท่านพนมพระนครมีพระแดงห้างเก่าๆพระจีนบุรีมีน้ำมนต์เก่าๆซึ่งบรรดานักปราชญ์ได้ทำไว้ในสมัยโบ ร, ราณผสมผงเกอรและอักษรโรคโวมพิมพ์ขึ้นสองชนิดคือหนึ่งพระองค์ไม่ได้เผาไฟสองพระผสมแล้วเผาไฟคิดอย่นในใจว่าเราจะต้องสร้างพระพิมพ์ถึงหนึ่งล้านองค์ เมือเม่อลวงโมทำแล้วได้มานับสํารวจตรวจสอในปีพศ .2499 เมื่อออกภาษาแล้วได้จํานวนพระรวมทั้งสิ้นประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนองเศทวันหนึ่งเกิเยดยมิทแปดประหลาดคืนวันหนึ่งเงียบสงัดกําลังนั่งพิมพ์พระพุทธรูปอยู่มีพระปรมาทธาตองค์หนึ่งได้เสด็จปฏิหารมาอยู่บนเตียงนอนมีลักษณะขายรูปพระเบฆโฆพบฆโฆที่กําลังพิมพ์อยู่แต่พระไบฆโพที่พิมพ์อยู่เป็นแบบพระแสดงธรรมจัก คือยกประหาสสองข้างเป็นแบบแสดงพระธรรมเทศนาจึงได้ตั้งชื่อพระพิมพ์นี้ว่าพระโพธิจักพระบรมทาตุองค์นั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ได้บรรจุและยังมีพระพรมทาตอีกองค์หนึ่งเป็นแบบพระพุทธรูปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อีกวันหนึ่งเป็นนั่งสมาธิที่จังหวัดลบบุรีเงียบสงัดจนจะสว่างได้เห็นพระบรมทาตุอีกครั้งหนึ่ง เวลาประมาณตีห้าจนสว่างได้มีรูปรูปหนึ่งแปลกประหลาดตกลงมาเป็นรูปคนทําได้แค่จระัยสีดําชมพูจึงได้เขียนจาลองรูปไวจ้จฉบัดนี้แห่งรแปลกประหาต่งางๆเหล่านี้ได้เกิดมีขึ้นมาจึงได้สั่งเตรียมการด้วยบรรดาพาระลูกศิษย์ที่ใกลก้ชิตแต่แจ้งให้ทราบว่าเราต้องทําการฉลองสมโพธิยีพุทธศตวรร ษ, ษ, ษ, ษในปีพศสองพันรที่วัดอโุการามนี้แน่นอน ได้ตัดสินใจเด็ดขาดในกลางพรรษาปีพศ .2499 นั่นเองเมื่อได้ตัดสินใจได้ไปแล้วก็ได้ตรวจดูมูลค่าปัจจัยของตอนเองมีอยู่ประมาณ200บาทเศษแต่ก็ได้สั่งลงมือเตรียมการก่อสร้างปู ก, กรัมทำฉัดพอเริ่มลงมือก็ปรากฏว่ามีผู้นำเงินมาถวายให้เรื่อยๆสร้างที่พักได้ทงหลังกหมดเงินระยะนั้นได้ขึ้นไปเยี่ยมจังหวัดจันทบุรีเมื่อกลับมาถึงวัดอโศกราม พังตำรวจโทหลวงวิษเดจกำแพงได้ไรายงานว่าเงินจวนหมดแล้วครับท่านพ่อจะไปหาที่ไหนในการทำงานครั้งนี้ได้วางแผนงานไว้ดังต่อไป น, นี้คือนหนึ่งวัตถุประสงค์ของงา น, นดังนี้องคเลทหนึ่งสร้างหระุธรูป๙แสนสามื่นสองพันหรอยองค์และต้องเพิ่มให้เป็นจำนวนหนึ่งล้านองค์เป็นภาพหงและพระลินเผาขนาดหนงนิว้ว เพแกจ่ายแก่พุทธบริษัททงหลายโดยมีคิดมูลค่าเหลือจากนั้นแล้วมันจุในราบขันพิธีต่อไปและจะสร้างพระทองเรลืองอีกสี่ตามมีจํานวนห้าองค์คือต่อสรู้หนึ่งแสดงธรรมจักหนึ่งแสดงโอวาทแก่พระพิสุทธส์งตอนใกล้จะเสด็จดับขันทพระ น, นิพพานหนึ่งนิพพานสายญาติหนึ่งท้าประธานนั่งสมาธิเพื่อไว้ในโบทหนึ่งพระเงินขนาดเล็กหนึ่งนิว้วผน้าพระทองคํา โตขนาดเดียวกันหนักหนึ่งบาทสร้างได้ราวสองค์จาะสร้างชนิดละ500องค์จะบรรจุในองค์พระดีเพื่อประโยชน์แก่กระบุตรคุณิดาเห็นเขาท่านทั้งหลายในภายภักหน้าองค์เล็บสองสร้างพระตบิษฐ์ศิีศรีคือหนึ่งพระสูตรสองพระวินยัยสาพระประิฎมรลุนเป็น8ปดหมสี่พันระธรรมคัมที่แก่เป็นภาษาไทยองค์เล็บสามอุปสมบทพระวิสุทธิด บรรประชาสามนเณนิ่ปสิบรูปบวชนุ่งขาวถือศีลแปอุบาสกแปสิบคนอุบาสิ ก, กาแปสิบคนถ้ามีจํานวนเกินไปจะถูกกำหนดไว้ก็ยิ่งดีการบวชมีกําหนดเจวันเป็นอย่างต่ําเริ่มสามพิธีอุปสมบทตั้งแต่วันครึ่ง14บสีค่ำเดือน6ถึงวันแรมเจดค่าตรงกับวันอาทิตย์ที่สิองพฤษภาคมพศสองพันห้าจนถึงวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพศสอ0พ เมื่อผู้ใดมีความประสงค์จุดบวชหรือประการใดให้แจ้งรายละเอียดชื่อนามสกุลตำบลบ้านอำเภอจังหวัดอายุวันเดือนปีเกิดเช่นจะมีบริการแปนมาพร้อมหรือผู้ใดไม่มีขอให้แจ้งไปให้ทราบก่อนถ้าใครไม่มีทางคณะกรรมการจะได้จัดให้ผู้ใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการบวชทุกประเภทแจ้งความจำนองได้ทางคณะกรรมการเช่นในกำหนดไว้บวชอุบาสิกาคนละหนึอยบาท สมณะหนึ่งยหิบาทภิกษุ300รอบาทสําหรับซื้อบริการในการบูตทั้งวัดดินดีรับสมัครตัวประเภทสมัครได้ตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15้าเมษายนพศสองพันหร้ยีละกาวงเล็บสี่เมื่องานนี้สำเร็จไปแล้วดีมีวัตถุประสองค์อีกอย่างหนึ่งคือจะสร้างพระจดีไว้เป็นที่ระลึกซึ่งได้เกี่ยวเนื่องในวันสําคัญนี้เพื่อไว้บรรจุขขพระรมาสาเลือิกฐานหนึ่ง เพื่อบรรจุพระพุทธรูปหนึ่งเพื่อบรรจุพระธรรมหนึ่งอันเป็นส่วนของข้อธรรมและบริการอื่นๆซึ่งเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาพระพจดีนั้นจะสร้างกลุ่มเดียวกันสามชั้นชั้นสีอ่องค์องค์กลางอีกองค์หนึ่งองคกลางเป็นองค์ใหญ่สี่เหลี่ยมบ้างยาวสามวาสูงสิบสามวานอกนั้นองค์เล็กโดยรอบการวางรากฐานพิจดีนี้จะเริ่มกระทําไว้ก่อน ง, งาน สถานที่สร้างคือที่วัดอโศการามตำบลไทยบานอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งต้องการจะให้เป็นสถานที่อบรมพระวิสุทธิสมเณรอุบาสกอุบาสิกาในทางวิปัสสนาธุระ ต, ต่อไปข้อสองพิธีฉลองสมโภชบรรพีกุศลในงานมีดังนี้วงเล็บหนึ่งนิมนต์พระสงฆ์เจริญพุธมน์วันะยี่สบรูปเจ็ดฟันวงเล็บสง สวดพุทธาบิเศสวันละแปดรูปนั่งจกวันละแปดรูปเจ็ดวันวงเล็บสามเทธทังขจนาห้ากันวันละหนึ่งกันส่วนแจงกันละสี่สิบรูปเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญให้ญาติของพุทธบริษัทที่รงับไปแล้ว 4, วงเล็บสี่ถวายอาหารมิตรบาทแก่พระพิสุสง์สมณเณรที่นิมนต์มาวันละห้ารอรูปเจดวันนอกจากนั้นยังมีการบําเพ็ญกุศลเป็นนิดอีกจนครบสองสัปดาห์ สัปดาห์้ายเรี่องพระวรรณสามร้อยรูปเจวันโมเลพห้าในระหว่างเจวันต้นนี้มีการเวียนเทียนสมโพธิทุกวันโมเล็หกในวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าเดือน6วันที่13พฤษภาคมพศสอ0พัารพิธีบรรจุวัตถุต่างๆในรากฐานพระจดีโมเลพเจ็7มีการมาเพ่งกุศลในรัที่ทางจีนคือสวดกรงเต๊ดสมวันและมีเทศตามรัฐที่นิยมนั้นอีก นกจากนี้จะสร้างที่พักให้ความสะดวกแก่พระเนรทุกเหล่าสร้างที่พักให้อุบาสกอุบสิกาได้รับความสะดวกและตรงตั้ ง, งโรงครัวประจําในงานเมื่อได้เขีนโครงการขึ้นชนีนแล้ว <c oughs> ก็ได้ดําเนินงานไปตามโครงการโดยลําดับแต่เอาโครงการที่เขียนไวน้นี้ให้สิดูหลายท่านหลายคนตางคนต่างสายหัวไปมาแล้วพูดกันว่าท่านพอจะทําอย่างไรกิจการงานใหญ่โตอย่างนี้จะไปหาเงินทองที่ไหน เจ้าของเองนึกเต็มพึ่งแต่ในใจว่าเราทำบุญคนใจบุญต้องมาช่วยไม่ต้องออกดีกาต่อมาไม่ได้กลับจากจังหวัดจันทบุรีแล้วจนเวลาจะเริ่มงานก็มีคนได้นำเงินมาถวายอยู่เรื่อยๆปรากฏว่าได้เงินเป็นจำนวนเกือบหนึ่งแสนบาทมีคนคนหนึ่งคือดอกเตอร์หยุดแสงอุทัยกลัวว่าจะทำงานครั้งนี้ไม่สาเร็จจึงได้ไปทาบทายขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ได้ไปเจรจากับรัฐมนตีว่าการกระทรวงธรรมคือพลโทหลวงสวัสดิ์ซึ่งยังไม่เคยคุ้นเคยกันกับเราแต่น่าขอบใจท่านท่านได้พูดกับระตเตอร์สายุดว่าถ้าต้องการเงินจะช่วยจัดการให้เรื่องนี้คุณหญิงวาดเลขาวณิธธรรมวิทัก์ได้นามาเล่าให้ฟังจึงได้ตอบไปว่าไม่ต้องการกาปรปลูกสร้างก็ได้เริ่มขึ้นเลย เงินก็มีคนมาทำบุญเรื่อ ย, อยโดยไม่ต้องแจกดีการ้องขอจากผู้ใดเป็นแต่บอกเล่าแจกไปปิวกำหนดการให้ทราบในคณะสานุสิตเท่านั้นได้เตียมการภายในวัดก็ได้สำเร็จไปเป็นส่วนมากสำหรับสาราลงพิธีได้บอกหมาหาอาจารย์สุนีชังขะมานนคขู่ส่วนอชัชกุลคุณทองสุขแม่กิมหงไก่การเป็นเจ้าหน้าที่ปลูกสร้างจนสำเร็จ อย่างไม่เพียงพอได้สั่งขยายลังคาจากเพิ่มเติมอีกทั้งสี่ด้านพันวธวทโทหลวงวิรเดช้อมด้วยพันเนินได้ช่วยกันสร้างนอกจากนี้ยังได้ช่วยกันสร้า ง, งโรงครัวชั่วข้าวและที่พักชั่วข้าวกันอีกหลายหลังที่พักชั่วข้าวสร้างเป็นหลังคาจากฝาจากยาวสี่สบวาโรงครัวยาว30สบเมตรเศษกว้างประมาณ3ามวาหลังคาจากที่พักพันเนินมีห้าหลัง หลังหนึ่งยาวสี่สิบวากว้างห้าวาหลังคาจากสาจากที่พักอุบาสกอุบาสิกาจัดแยกให้อยู่คนละที่ห้าหลังยาวหลังละสี่สิบวาก ว, าวา้างห้าวาการปลูกสร้างที่พักชั่วคราเหล่านี้สิ้นเงินไปนประมาณหนึ่งแสเศษสารางวิธีสิ้นเงินหนึ่งแสหห่น้าพันส้มถนนรอบวัดโดยมีคุณหญิงวาดเป็นผูท้ทําสิ้นเงินหกหมื่นรวมทั้งหมดสิ้นเงินสองแ 0,000 000. เศษ และอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องใช้่ายในงานก็มีอีกมากมายเงินที่มีอยู่ก็ค่อยๆหมดไปทุกทีแต่ก็ได้มาทุกวันพอถึงขั้งขึ้นเดือนเมษายนก็ได้จับเตรียมการเป็นการใหญ่ญาติโยมพระเณรที่อยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางเข้ามาประชุมกันเป็นจํานวนมากานักที่มาสมัครบวชทั้งหญิงทั้งชายมากมายถวีบขึ้นทุกทีจนเลยจํานวนที่ได้กําหนดไว้ก็เดิม ถึงวนที่11พฤษภาคม2560ก็ได้เริ่มบทหนา้าในการบทนานี้แต่นิมนต์พระอุปชามารายองค์คือ<ม> 1>, 1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดมกุฎกษัตริยาราม 2. พระพรมณีวัดประวิเวปิหาร 3. พระศาสนาโสพลวัดปราชาธิวาส 4. พระธรรมดิรกวัดประดมนิวาส 5. พระธรรมดิรกวัดพระศรีมหาธาตุ 6. พระญาณลาักขิตวัดประดมนิวา่า นอกจากนี้ก็มีพระอุปชาที่เป็นเพื่อนบางสิธบธาาช่วยกันรองพิธีบวชนาคได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมากจึงได้มอบดูกนี้ให้พระจันแดงเป็นผู้ฝึกหัดอบรมสั่งสอนนาฏกรดงานและให้เป็นพระอุปชา ด, ด้วยนอกจากนี้ก็มีพระครูวิริยังจันทบุรีและพระอาจารย์ศิลาจังหวัดสกลนครได้เป็นพระอุปชา ด, ด้วยช่วยกันฝึกซ้อมจัด บ, บริการในการบวชพระเนนจรสําเร็จสรุปแล้ว การพิธีบทนี้มีคนช่วยทั้งหมดโดยไม่ต้องจ่ายเงินกอ ง, งกลางบวชจนกระทั่งไม่มีหน้าจะให้เขาบวชต้องประกาศงดรับเจ้าภาพบวชหน้าทางครื่องกระจายเสียในพิธีบทนี้มีคณะสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการโบวคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ1นึ่งแสนสันบาทพิธิบทเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงยีพฤษภาคมสองพรผู้บวชในงานครั้งนี้มีจํานวนประเภทดังต่อไปนี้คือ อุปสมบททภิสุมีจำนวนห3ร้อยสาสิบเจ็ดรูปสามเณรหนึ่งร้อยสี่สี่รูปอุบาสิกาทีหนึ่งันสองร้สี่สิบรูปพามณีสามรอสี่สิบคนราบขาวสาสิบสี่คนบวชธรรมชายสิบสองคนรวมจำนวนนักบวชทั้งสิ้นสองพสี่ร้อยเจ็ดท่านในงานฉลองสมโภชยีสิห้าพุทธศตรวรรษ ได้กำหนดกิจวัตรประจําของบรรดาพุทธบริษัทไว้ทังต่อไปนีเวลาเช้า 1. หลังจากพากันจังหาเสร็จแล้วมีการสวดมนต์ถวายนวัต ก, การพระบรมธาตุ 2. สอสวดมนต์ถวายผลพระสานั่งสมาธิเวลาบ่าย1น่สวดมนต์ถวายนวัต ก, การพระบรมธาตุ 2. สอสวดมนต์สมโพธิสนั่งสมาธิหรือแสดงธรรมะเวลาเช้ากร์นิาหยุดพัก สิบเจ็ดนาฬิกาเริ่มเข้าสู่ที่ประชุมแล้วสวดมนต์ถวายนวัสการพระบรมทาตเวียนเทียนสวดพระทัยบิเศษสวดมนต์สมโพธินั่งสมาธิจนถึงเวลา24่สนาฬิกาให้ปฏิบัติชนิดเราไปจนเสร็จงานในระหว่างกำลังทำงานนี้อยู่ก็ได้ดำดิบขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าอยากจะทดพระปาที่วัดประสีรัตนาศาทนดารามเพื่อเนการทดแทนความคิดที่เสียไปคือเรื่องมี้ว่า ครั้งแรกแตมบิรัฐมนิรีเป็นส่วนกลางของคณะสงฆ์ไทยจึงได้ทํารายงานกราบเปลี่ยนสมเด็จพระมหาวิรวงศ์ปัดมกุฏมีใจผวานว่านติตยภัตของพระสงฆ์ผู้ดํารงตําแหน่งสมณศักดิ์ทุกโลกในประเทศไทยขอให้ท่านเสียสละเสียหนึ่งเดือนในเดือน6นี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกในโอกาสที่ได้จัดการฉลองสมโภธิยี่พุทธศตวรรษส่วนตัวเองจะได้หาเงินทุนมาสมทบด้วยขอให้สมเด็จ ได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะสังขมตรีด้วยว่าจะเห็นด้วยกับความคิดอันนี้หรือไม่ประการใดสมเด็จได้เอ่ยขึ้นคำหนึ่งจับใจเรามากว่าผมให้ทั้งหมดหนึ่งเดือนท่านต้องการบริการอย่างอื่นอีกในงานนี้ก็ยนินดีจะช่วยเมื่อได้ฟังแล้วนึกในใจว่าซาทุในที่สุดสมเด็จได้เห็นชอบด้วยในความคิดอันนี้จึงได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมสังขมตรี ได้ทราบภายรังว่าในที่ประชุมสังฆมณฑีวันนั้นทางองค์ทางเกียร์กันเป็นอันไม่สำเร็จเมื่อเป็นอย่างนี้จึงคิดทอดผ้าปา่าถวายหลวงพ่อแก้มรกฏดอีกค่าจึงได้นำความคิดนี้ถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจา้าประดิษฐาสาลีขอให้พระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าภาพในกองผ้าป่าทั้งหมดเป็นจานวนสบกองพระองค์ยินดีทรงเป็นเจ้าภาพ ให้ความสะดวกพระองค์ท่านได้รับสั่งให้บริษัทบริวารตลอดจนกระทั่งเจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์มีคณะองค์ขงมณีเป็นต้นให้จัดเตรียมการเรับกองพระพาอย่างเต็มขนาดจึงได้จัดกองพระพาขึ้นได้มูลค่าประจ่าประมาณสามหมบาทเศษแบ่งให้กองพระพาสิบหกองกองละสาม้บาทเศษเงินที่เหลือนอกจากนี้ถาวายหลวงพ่อแก้มรกรดเป็นจนํานวนเงินทั้งสิ้น 2412มบาท30สิบตางค์โดยตั้งเป็นบริษิทชิวะบริษัทสอนิ้ิร้0ยปีคณะศิษย์พรจันลีวัดอโศการามเพื่อเก็บดอกผลจากบนิษิทนี้ส่งเข้าบำรุงรัดภสษีรัฐนราธิารามต่อไปต่อมาได้นําส่งสมทบภายหลังอีกรวมเป็นเงินบุนิษัทั้งหมด5้าหมบาทเศษวันที่20พฤษภาคมพศสอ0พตรงกับวันแรมเจ็ดค่าเดือน6 ได้นำขบวนแหพ่พระพุทธรูปพระบรมธาตุและกองพระป่า13บสามกองจากวัดอศโศการามในท่าที่พระอุโบสถวัดพระศีลัตะะาศาสตาลามพระเจ้ารบรมวงศ์เธอพระอ ง, งค์เจ้าประดิษฐาสารีได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัด ก, การต้อนรับได้มีการแห่รอบพระอุโบสถวัดพระศีลัตะะาศาสตาลามสามรอบองค์ท่านพร้อมทัง้งคณะองคมนตรี ได้เสด็จมารับกองพระป่าในพระอุโบสถท่านได้มีรับสักงให้ทางสำนักพระาชวังจัดพระทหาถวายพระเทหละท่านผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมณ์มารับกองพระป่ารวมสิบห้ารูปพระเทหละที่พระองค์ท่านในมต์มานั้นโดยมากนิมณ์จากวัดต่างๆซึ่งพระบาสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีดอุปการะมาแตการโกนเมื่อได้ถวายพระทหารเพลินเสร็จพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็ได้นำถวายกองพระป่าแก่พระเทหละ ที่ได้ไดมนมาในวันนั้นเมื่อเสร็จพิธีถวายกองพระป่าแล้วได้นำกระบวนแหออกจากวัดพระศรีรัตนาสดารามไปรับต้นโพศรีมหาโพธิ์ที่วัดพระศรีมหาธาตุน้ำพรบังเกิซึ่งได้ขอจากทางราชการและได้รับอนุญาตแล้วถึงวัดพระศรีมหาธาตุแล้วทาพิธีรับต้นโพสองต้นแห่เวียนพระบวสดสามรอบประกอบพิธีตามทางการเสร็จแล้วนำกระบวนแห เคลื่อนออกจากวัดประศีมหาธาตุในยังจังหวัดนอนนท บ, บุรีต่อจากนั้นคณะสิทธิ์ได้นำพระบระมาธาตุต้นโพไปทําการฉรองที่สวนพุทธรักษาอําเภอบางบัวทองหนึ่งคืนลุกขึ้นวันที่21กุมภาพันธ์2561พระชันจังหันแล้วนําพระพุทธรูปพระบระมาธาตุต้นโพศรีมหาโกลงสู่กระบวนแห่ทางเรือจากอําเภอบางบัวทองล่าะลงมาตามลําแม่น้ำเจ้าพระยา จนกระทั่งถึงท่าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการทางวัอดอโศการามพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการขา้าราชการและพุทธบริษัทได้มาต้อนรับอย่างคําคั่งนำกระบวนขึ้นจากเรือแล้วแห่จากสารกลางเข้าตลาดเมืองสมุทรปราการนำกระบวนแห่ไปจนถึงวัอดอโศการามในตอนบ่ายฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลายมีเจ้าคุณอมรมณีวัชจรานารามจ่าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นหัวหน้าต้อนรับขบวนแห่เมื่อถึงวัดอโศกรามแล้วได้นํำขบวนแห่เวียนสาราสามรอบแล้วนํำขึ้นบันไดโซานไหวย์บนซณราลงพิธีพุทธาพิเศษได้ทําการถวายนมัสกรารพระบรมธาตุพระพุทธรูปต้นโพและพระสัทท์เจดีย์เสร็จแล้วพักคนเวลาที่18นาฬิกาที่ละครประชุมสวนมรสมโพธสวนพุทธาพิเศษเวียนเทียนมีพุทธบริษัตมาร่วมสมโพธกันมากมาย รงขึ้เช้า ว, วันขึ้นเก้าข้าเดือนหกตรงกับวันที่22พฤษภาคมพศ2481ได้ทําพิธีปลูกต้นโพศ ร, รีมหาโพธิวัดอโศกคารามรวมสี่ต้นได้มาจากวัดกระสือมหาธาสองตน้นอีกสองต้นได้มาจากประเทศอินเดียต่อมาได้มีชิดนำต้นโพจากประเทศอินเดียมาถวาอีกสองตน้นปัจจุบันนี้ที่วัดอโศการามจึงมีต้นโพศ ร, รีมหาโพรวมหกตน้นต่อจากนั้น เกิดทำการสมโพธกันตลอดมายิมาวันหนึ่งการเงินชักเป้าบางปายคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันจัดทําหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากคณะรัฐบาลมีนางกิมเรียนกิ่งเทียนและนางตนโกสัญยวิทย์เป็นหัวหน้าได้ะจะทําหนังสือขึ้นหนึ่งฉบับแล้วนํามาอ่านให้ฟังใจความในหนังสือนั้นมีว่าขอร้องเรียนนายกรัฐมนตรีคือจอมพลป พ, พิบูลสงครามให้ช่วยเหลือเงินเป็นจํานวนห 0,000 ่นบาท เมื่อได้ทราบเช่นนั้นเขาอ่านให้ฟังยังไม่ทันจบก็สั่งให้เผาไฟถึงทันทีแล้วพูดกับเขาว่าไม่มีกินในงานครั้งนี้ยอมตายในที่สุดเงินก็ได้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดบางท่านก็ได้มาช่วยเรียนพระสามวันบ้างเจดวันบ้างเป็นจีนบ้างไทยบ้างในงานนี้ได้มีการสวดพุทธาภิเศษอยู่ถึงสิบห้าวันโดยมีพลตรีพงศ์ปุกณกัน์เจ้ากรมการขนส่งทางบก เป็นเจ้าภาพพุท ธ, ธาพิเศษตลอดงาน hmm. คุณหญิงวาดเลขวาวณิชธรรมวิทักรับพระมาสวดมนต์สมวันวันละส0บรูปพร้อมด้วยเครื่องยธยทานและเป็นเจ้าภาพลิ้นผากอีกเจวันวันละ355รหห้ารูปมีเทศสองกันมีส่วนกงเต็กสามคืนมีการละพทงและจับสลากให้รางวัลแทนการทิ้งกระชาิคุณนายทองสุกชุม่มไพรด์ เป็นจภาพเรียมถัก300รูปเจวันนอกจากนี้ยังมีชาวจีนมาเลี้ยอาหารเจช่วยอีกหลายวันและมีญาติโยมขณะสิทธิ์จัดให้มีการเทศสังคยาอีกสิบเอ็ดจภาพจุดหนึ่งใช้ใจ่ายเงินประมาณ5 0 0พบาทนอกจากนี้ทางด้านโรงครัวก็มีผู้ศรัทธามาบริจาคอาหารถ้วยชามข้าวสารฟืนฐานทุกอย่างโดยมากไม่คได้ซื้อ มีแต่ผู้มีศรัทธานำมาบริจาคเป็นส่วนมากฉะนั้นทางโรงครัวจ่ายเงินค่ากับข้าววันหนึ่งไม่เกินห้าพันบาทหลายคณะสิทธ์ต่างคนต่างได้ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถฝายพยาบาลได้รับความช่วยเหลือจากพลตยถนอมอุปผัสมานนลและนายแพทย์ใหญ่ทานบกและคนหญิงสุดใจในส่งหน่วยพยาบาลพร้อมด้วยนยแพทย์และนายสิทธพยาบาลมาประจําตลอดงาน เพื่อช่วยรักษาพยาบาลคนป่วยระหว่างงานฝายรักษาความสงบและจราจรมีพันตำรวจเอกสุดสงวนปานสติหัวหน้ากองสปิภาพประชาชนกรมตำรวจและสั่งให้ตำรวจราจรไปรักษาการจนตลอดงานพร้อมทั้งส่งรถดับเพลิงมาประจํำตลอดงานหนึ่งคันระหว่างนี้การงานก็ดําเนินไปดีๆการเงินก็สะดวกขึ้นกิจวัตรประจําวันก็ทําไปตามเคย การบวชก็มีทุกวันตลอดงานดินฟ้าอาการอำนวยให้เป็นอย่างดีในงานนี้ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นปลอดภัยที่ทุกด้านมีบากล็กน้อยก็ไม่สำคัญอะไรเลย